ลงในครั้งนั้นก็บังเกิดมหัสจั์บันดานมีคือปัตภีอันใหญ่หนาได้สองแสนสี่หมืนโยต์มีน้ำรองเป็นที่สุดประกรรมปิดถาก็กำปนาหวาดวันไววิชุลตาอันว่าสายฟ้านิ ช, ชริงสุก็แลบทั่วทุกทิศทิภพบปุปผังวัดสิงสุฝูงเทวดาก็โปรยปลายทิพยบุปผามาลาสวร์ลงมากระทาส ก, การบูชา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 ทรงบรรพชาเพศเป็นอนาคาริยบันพชิตบำเพ็ญสมณกิจเจริญพระวิปัสนาไปก็ได้สำเร็จแก่พระวิมติสเสวตชัดกระทำให้แจ้งชัดซึ่งพระนรุานเป็นพระอรหันตขีนาศบอันประเรสริฐสิ้นกิเลสเตนะอุตตังเหตุดังนั้นพระคันธารั จ, จนาจารย์จึงนิพน์ ผ, ผูกคาถาสรรเสริญคุณแห่งปัญญาไว้ในที่สุดนี้ว่า ปัญญาปัสธาโลกัตสมิงคาตาสัทธมะทีติยาปัญญายวิมติงหันตวานะสันติงปปโปลติปันติตาตัสมิงขันเททีตาปัญญาสติยัถะอนุนการปูชาวิเศษสัตติโรอโคโสวะอนุตตโรตัสมาหิปันดิโตโปโสสุขังสัมปัสสะมัตตโน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 เป็นผู้ควรรับบูชาอันวิเศษและเป็นผู้เลิศประเสริฐหาผู้ใดจะเสมอเหมือนมิได้เหตุดังนั้นและบุรุษผู้ปรีชาเมื่อพิจารณาเห็นความสุขแก่ตนแล้วพึงสการะเคารพท่านผู้มีปัญญาดุจหนึ่งว่าบูชาพระเจดีย์อันเป็นที่สการะฉะนั้นดังนี้มิลินทศเจวะนาคเสนเถรศะจะ